ที น, นี้เดี๋ยวหลวงพ่อกลับมาเพื่อทบทวนธรรมชาติที่มีอยู่ตรงที่ตอนแรกที่ได้พูดถึงหลวงพ่อเทียนนะที่ที่ท่านปฏิบัติธรรมนั่งยกมื อ, อนั่งยกมือสร้างสจังหวะเพื่อฝึกสติอยู่นะก็คือมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าหลวงพ่อเอามาเอามาแยกแยะเพื่อเป็นภาษาพูดเหมือนกับว่าชี้ให้เห็นแต่จริงๆอ่ะมันเป็นกระบวนการทำงานของขันห้าเป็นกระบวนการการทำงานของสังขารซึ่ง ไม่มีเราในสังขารเลยก็คือขาตัวเองก็คือร่างกายเนาะร่างกายมันก็เป็นสังขารอ่าแล้วแมงมันก็เป็นสังขารแล้วก็การเคลื่อนไหวที่มันมาตกมันก็เป็นเหตุปัจจัยเนาะให้ตกแล้วก็กระทบลงมาที่ขาเออแล้วก็เกิดการรับรู้ขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติเกิดเกิดการทำงานของสังขารรับรู้ขึ้นมาแล้วความคิดออมันก็มันก็คิดของมันเองมันก็เป็นสังขารแล้วก็ความจาได้ว่าไอ้นี้แมงป่องแมงงตกใส่ขา ก็เป็นขันห้าก็เป็นการทํางานรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวเราเลยมีแต่ขันล้วนๆเลยที่มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วสุดท้ายเป็นไงละ่ะหลวงพ่อเทียนก็ดับขันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเหตุการณ์นั้นมันจบตั้งแต่มันเกิดแล้วไงอ ม, มันเกิดปั๊บมันก็จบเลยแล้วก็มันมีเกิดขึ้นขณะใหม่เกิดขึ้นขณะใหม่<อ>ไปหมดไปสุดท้ายเนี่ยเนี่ยมันมีแต่เกิดแล้วดับแล้วก็นั่นแหะคือสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเรา ทีนี้ถ้าไม่มีความหลงยึดถือเหมือนอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเออถ้าไม่มีความไปหลงยึดถือเป็นตัวเราเป็นตัวกูอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรเลยมันเหลืออยู่ก็คือไอความหลงผิดเนี่ยแหละที่ไปยึดสังขารมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็คือก็คือตายแล้วตั้งแต่หัวที <c oughs> นี้พอตูมุระเข้าใจเรื่องสังขารแล้วเนาะสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็สังขารก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนตอนเนี้เดี๋ยวนี้ใ ห, ให้ให้พึงเข้าใจตรงกันว่า ที่มีอยู่ที่มากําลังพูดกําลังฟังกําลังถามหรือกําลังนั่งนิ่งๆเฉยๆนี่สังขารทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เราสังขารทั้งหมดเลยไม่ใช่เราซึ่งเป็นความมีอยู่เป็นความปรากฏอยู่แล้วมันก็ก็หมดไปทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่ใช่เราอพอเข้าใจว่าไม่ใช่เราเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้มองต่อว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วสิเพราะว่ามันจบแล้วมันไม่มีอะไรต้องต้องมาศึกษาเรียนรู้ มันก็จบจบก็คือโอเคไม่มีเราเป็นผู้ต้องทำอะไรไม่มีเราเป็นผู้ต้องเรียนอะไรแต่สังขารมันก็ยังสังขารต่อไปก็คือเนี่ยวันวั น, วนไม่รู้จะไปทำอะไรก็ต้องมานั่งคุยวางธรรมมาถามปัญหาอะไรก็ไม่รู้ก็คือสังขารเนอเออเพียงแต่ว่าไม่หลงยึดในในพฤติกรรมหรือการกระทำเนี่ยว่าเป็นเรามีเหตุปัจจัยเนี่ยพอเข้ามาในห้องนี้มันมีเหตุปัจจัยก็ต้องคุยเรื่องนี้ พอเข้าห้องโน้นมันมีเหตุปัจจัยให้คุยเรื่องโน้นมันก็ไปคุยเรื่องนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือมันไม่ใช่เราไปจากนี้เราไปจากโน้นไม่มีไม่มีเราอยู่ที่ไหนไม่มีเรานั่งตรงไหนไม่มีเราคุยอะไรมีแต่สังขารที่กําลังปรากฏขึ้นเท่านี้เองอีกอย่างหนึ่งเนาะคือพุทธิมาธรรเนี่ยที่ที่ไม่เข้าใจมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวรู้นี่แหละคือสิ่งอื่นที่ปรากฏเนาะมันก็เป็นสิ่งถูกรู้อย่างของหลวงพ่อเทียนอย่างเนี้ย เห็นไหมตัวเองนั่งอยู่ก็รู้ได้ว่าตัวเองนั่งไอ้ตัวนั่งเนี่ยก็คือเป็นรูปที่ถูกรู้แล้วมงป่องมันตกใส่ขามันก็เป็นรูปรูปแมงป่องก็ตกเปนสิ่งถูกรู้ทีนี้คนเนี่ยส่วนมากก็คือรู้จกักเตสิงพวกนี้แต่ไม่ได้่เหลียวใจเลยว่าอ๋อมันมีธรรมชาติรู้ด้วยมีธรรมชาติรู้ก็มีอยู่ทีนี้พอเราอธิบายเรื่องธรรมชาติรู้เนี่ย มันเข้าใจยากมากอ่ะเพราะว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ปรากฏเนาะมันไม่ปรากฏของรู้นี่มันไม่ปรากฏเลยว่าคือถ้ามันไม่พูดมันก็ไม่รู้เลยว่ามันรู้อะไรแต่ถ้ามันพูดมันก็พูดตามที่รู้เช่นบอกว่าเออวันนี้ฝนตกอันี่คือรู้แล้วเอามาพูดเออคนอื่นก็ยังพอเข้าใจนะแต่ทีนี้ถ้ารู้ที่ไม่พูดเลยเนี่ยแล้วโหใครจะเข้าใจอะไรได้รู้ที่ไม่พูดรู้ที่มันมันเป็นใบอ่ะ ไา้รู้ที่รู้แบบไม่พูดเลยอะ่ะหลวงพ่อก็บางทีเ อ, อจะคุยธรรมะขั้นสูงมันก็ยากเกินคุยไปคุยมามันปวดหัวนะ้อยมนะ้องของโยม <c oughs> <c oughs> คือเพราะว่าต้องปวดหัวที่พเพราะว่าคิดไม่ออกคิดไม่ทันเออแต่ถ้าเราไม่พูดขั้นลึกบางทีมันก็ได้แค่เผลอๆแล้วก็มันทําให้แบบมันไม่แตกฉันในทางปัญญาแต่ทีนี้ถ้าต่อไปนะมีการคุยมีการพูดแล้วก็เข้าถึงธรรมชาติรู้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะไม่ปวดหัวเพราะว่า มันฟังอะไรเนี่ยมันรู้ไปหมดอะรู้มันก็คือเขาพูดอะไรก็คือรับรู้ได้ได้ยินได้เออแล้วก็ใครพูดอะไรรับรู้ได้ได้ยินได้แล้วก็แม้กระทั่งเกิดความคิดอ้าวก็รู้ได้ว่ามีความคิดมันหยุดคิดก็รู้ได้ว่าหยุดคิดมันมีความสงบก็รู้ได้มีความสงบแล้วก็สงสัยก็รู้ได้ว่าสงสัยอ่เข้าใจแล้วก็รู้ได้ว่าเข้าใจแล้ว โอ้ยมันซื่อซื่อมากเลยอ่ะตรงนั้นแหละมันแบบเบาหวิวเลยอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ต้องอาศัยคิดที่จะคิดให้รู้เพราะมันเป็นรู้ของธรรมชาติไม่ใช่เรารู้คุณนุยน้ยนุ้ยบอกว่าแตงหมเราก็ได้ยินว่าแตงหมแต่ว่าพอไปเอดูภาพแตงอมก็คือกล้วยคือเรารู้ว่ามันคือกล้วยเพราะเรารู้จักกล้วยคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการการรู้ว่า มันมีการทํางานอย่างที่เอหลวงพ่ออธิบายแต่ว่าในขณะที่รู้เนี่ยมันก็ลืมลืมมองเหมือนกันว่าคือเราก็กลืมไปกับไปกับการรู้อ่ะลืมมองไปว่าเออมันมีเรานะที่ที่เข้าไปรู้สิ่งที่คุณหนุ่พูดหรือว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างนะะี้ค่ะต้องแยกเออต้องเนี่ยตรงนี้ก็าเขาเรียกว่าถึงขั้นต้องหัดแยกให้เป็น คือการทํางานของขันห้าเนี่ยมันรวดเร็วมากพอหูได้ยินเสียงอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอายตนะนะคือเอางี้พูดถึงเรื่องกระบวนการทํางานของของของสังขารกันแล้วกัน เ, เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าทุกอย่างเป็นสังขารหมดการทํางานสังขารเนี่ยมันมันเกิดดักเร็วพอหูได้ยินเสียงปับ๊บอ่ะมันก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จแล้วตาไปดูพอได้ดูพอตาดูเสร็จแล้วมันไม่เหมือนกับที่ได้ยินเขาบอกว่าแต่งโม แต่มันเป็นสัญญาที่จำได้ว่าแบบเนี้ว่ากล้วยแล้วก็มันมีเกิดความรู้สึกนึกคิดมีอะไรมากมายเลยตรงนั้นอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ที่เป็นขันห้าที่ที่มันปรากฏให้ถูกรับรู้อ่ะมันมีมากมายก็คือมีทั้งอุะอะมีแบบเอ้ยยอมหนุยหนุยพูดผิดเอ้ยยมหนุยหนุยหลอกหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ที่มันไม่ใช่รู้นะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดแต่รู้เนี่ย มันก็รู้ได้นะว่ามันมีการพูดมีการคิดมีการอุมีการอะมีอะไรทั้งหมดเลยมันรู้แต่ถ้ามันรู้แบบไม่พูดเลยเนี่ยอันนั้นแหละเขาเรียกว่ารู้รู้แท้รู้จริงแต่ถ้ารู้แล้วมาพูดบอกเอ๊ะคื อ, ค, อคือหมายถึงว่าพอรู้เนี่ยพอรู้ว่าพอสมยอมยมหน่อยบอกว่าแตงโมพอตาไปดูนี่คือเห็นแล้วคือรู้แล้วแล้วก็มันก็พูดพูดว่าเฮ้ยมันกล้วยไม่ใช่แตงโม ไอ้รู้แบบนี้รู้ที่พูดได้เนี่ยไอ้นี้มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งเพราะมันรู้แล้วมันพูดได้ก็คือก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าในนามเนาะฝ่ายนามคือวิญญาณขัน<อ>แล้วก็ปรุงแต่งเป็นเป็นเป็นสังขารขันเห็นไหมมันทํางานเป็นสังขารขันในขันหน้แล้วก็มันก็ยังเกิดดับนะเพราะฉะนั้นรู้ที่พูดได้รู้ที่เอามามาอุมาอะเนี่ยพวกนี้ยเป็นสังขารทั้งหมดรู้จริงมันอีกขั้นหนึ่งก็คือว่า มันได้แต่รู้อย่างเดียวรู้ก็เรียกว่ารู้ขันรู้กระบวนการทํางานของขันว่าเออขันนี่มันมีความปรุงแต่งเป็นภาษาพูดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะเ น, นี้ยนิดหนึ่งอย่างก็ไปเออบอกว่าเวลารู้ให้เรารู้ว่ามันเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งเออการรู้ว่าเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยเวลาที่เราเรารู้หมายถึงว่าการดําเนินชีวิตปกติทั่วไปเนี่ยเราก็ ก็คงไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปแยกแยะได้ว่าอะไรคืออะไรเราก็แค่รู้ว่าเป็นก้นกอนๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงว่ามันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นการปรุงแต่งอย่างเนี้ยค่ะทีนี้อย่างอย่างที่โยมถามเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อจะอธิบายอีกในมุมหนึ่งก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือรู้แล้วเห็นแล้วโดยที่ว่าโดยที่ว่าถ้าถ้าสมวัชชะ พูดให้คนอื่นเข้าใจเราก็ต้องมาพูดเพื่อขยาย <_ d ose> เพื่อมาบอกเนาะแต่ว่าการที่มันรู้เองของมันหมายความว่ามันเป็นยังไงอะ่ะก็คือไม่ต้องอธิบายเลยไม่ต้องอธิบายให้ตัวเองต้องเข้าใจหรือต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเช่นการเห็นทางตาก็คือมันเห็นอย่างไรล่ะแต่ไม่ต้องเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยมาพูดมาบอกมาเล่าใครเห็นให้เห็นตามที่เห็นแค่นั้นแหละหรือได้ยินอะไร มันได้ยินอะไรแค่ไหนยังไงก็คือแค่นั้นไม่ต้องอธิบายอะไรจริงๆเพราะว่าเรื่องการอธิบายนี่เขาเรียกว่าการแจกแจงการขยายเพื่อจะให้อีกคนหนึ่งได้เข้าใจแต่ถ้าที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเองเนี่ยโดยที่ว่ามันแค่ไหนก็คือก็คือแค่นั้นเลยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้พอเข้าใจไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่สําคัญจะไปเห็นอะไรก็ตามจะต้องเห็นตัวเราจะต้องเห็นตัวเองด้วย เพราะถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยตรงนี้มันเป็นมันเป็นความหลงนะความหลงจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอไปเห็นอะไรเนี่ยสมมติพอไปเห็นอะไรปั๊บเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีเราเป็นผู้เห็นสิ่งนั้นนะหรือว่าพอได้ยินอะไรถ้าไม่รู้ตัวเองมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้ยินสิ่งนั้นแต่ถ้ารู้ตัวเองมันก็จะรู้เลยว่าตัวเองก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับสังขารอื่นๆที่เป็นสิ่งถูกเห็น แล้วก็พอเห็นตัวเรานะตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันนี้หลวงพ่อขยายความนะก็คือหมายความว่ามันจะมีไอไอสภาพธรรมะเนี่ยที่ที่เห็นเราหรือว่าที่รู้เราออกไปจากความเป็นตัวเราคือมันหลุดออกไปจากตัวเราเพราะตัวเรากลายเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วแต่ธรรมชาตินั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละต่างกันตรงที่ว่า ถ้ามีตัวเราไปเห็นสิ่งใดกลายเป็นว่าเราเป็นผู้เห็นสิ่งนั้นแต่ถ้าตัวเราเป็นผู้เห็นนะนะกลายเป็นสิ่งถูกเห็นขึ้นมาตัวเราก็จะเป็นแค่สิ่งถูกเห็นเหมือนกับอื่นๆเลยเหมือนกับสภาพอื่นๆที่เป็นสิ่งถูกเห็นและตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการหลุดพ้นไปจากตัวเราอธิบายค่อนข้างยาก ยังปวดหัวอยู่ไหมเนี่ยไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดนะเดี๋ยวอาจจะอธิบายนหนึ่ ง, งคือคือเหมือนกับเล่าให้หลวงพ่อฟังอ่ะนะคะอก็คือเหมือนกับว่าแต่อันที่หลวงพ่อให้ไปฝึกเนี่ยก็ก็ฝึกอะคะ่ะอันนี้เชื่อมกับกับสติไหมอะคะคือแบบว่ามันไม่อยู่ตลอคือเอาเอางี้ดีกว่าหนูอธิบา ย, ยางี้ป่ะคืออย่างเมื่อก่อนนะคะหนูก็อ่านหนังสือธรรมะเยอะใช่ป่ะคะ่ะแล้วก็ คือ แ, แ, แ, แต่แต่เป็นพวกปฏิภาคปฏิบัตินะคะที่แบบพระองค์นู้นท่านก็สอนปฏิบัติอย่างนู้นนี่นั่นอย่างเนี้ยแต่ว่าหนูเคยทําตามหลวงพ่อพุดอันหนึ่งที่ว่าให้มีสติตามอิทนทรียบดะค่ะในตอนนั้นที่ทําเนี่ยมันก็จะแบบจะรู้เยังไม่ไม่มยังไม่ใช่รู้ที่หลวงพ่อเล่าแต่หมายถึงว่าเออเรารู้ว่าเราจับรู่นจักนี่แต่ว่ามันเป็นสปอร์ตมันเป็นจุดนะคะสมมติมือจับเราก็เข้าใจ แต่พอมาตอนหลังที่มาฟังหลวงพ่อกับท่านอินอธิบายเนก็ลองดูเนี่ยมันมีเออใช่มันอธิบายยากมันเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งบ้างคะหรือหรือว่าเป็นมันไม่ใช่อีกคนหนึ่งเยมันเป็นอะไรที่แบบบางทีอ่ะมันมันไม่ได้ต่อเนื่องนะคะมันเห็นว่าไอ้คนเนี้ยคือคนเนี้ยออ่แบบนั่งอยู่แล้วก็บอกไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าเราสัมผัสอะไรเนี้ยมันมากกว่าจุดอ่ะบางทีมัน มันรู้ทั้งตัวว่าเออมันนั่งอยู่ครับเท้าสัมผัสพื้นอะไรเงี้ยบ๊าบ๊าบ๊าเนี้ยค่ะจะไม่แน่ใจว่ามันใช่ที่หลวงพอ่ออธิบายหรือเปล่าแต่แบบว่ามันเหมือนกับบางทีเราก็เออเห็นอย่างลมพัดลมเป่าอย่างเงี้ยเราก็ไอสภาวะตรงเนี้ยมันก็เห็นว่าเออไออาการที่พัดลมมันสัมผัสร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าอย่างที่หลวงพ่อให้ตามไอไอไ อ, เ, อเรื่องความคิดบางทีเราอย่างมาเมื่อกี้อค่ะ ไต่ไต้ตตดูว่าห้องอื่นเขาเป็นยังไงฟังหลวงพ่อไปด้วยแล้วก็ไต่ไต้ห้องอื่นอยู่ปดูปเน่แล้แบบมันก็มีห้องนึงแบบหน้าไปเจอเงี้ยเอ้ไอ้ตัวบางอย่างมันก็มันก็ให้เห็นว่าเออนี่เราเราเรากําลังคิดแบบนี้แบบนี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็แบบอธิบายไม่ถูกนี่เดียวสงใจว่าไอไอ้สภาวะที่ว่าเราเห็นเราเห็นอย่างตอนเนี้ยมันจะมีแวบๆเหมือนกันนะคะเห็นว่า เออตัวเองนั่งนั่งนั่งพูดใจโทรศัพท์เนี่ยแต่ว่าไอ้สภาวะที่ว่ารู้เนี่ยหรือว่าเห็นเราเหมือนกับเป็นสิ่งอื่นอื่นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องก็มันไม่ต่อเนื่องไงก็ไม่ต่อเนื่องคือเรารู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเออมารู้ทีหลังทีไรพอมันแวบไปเนี่ยตอนแวบไปเนี่ยมันไม่รู้อะค่ะมันมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเมื่อกี้เราลืมนะเราอะไรเงี้ยประมาณมารู้ทีหลังก็คือเรามารู้ทีหลังเนาะ ช่ค่ะใช่ไหมเรามารู้ทีหลังว่ามันไม่ต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะเออแล้วก็รู้เราใะตอนเนี้ยอย่างมาเกี้ยวแวบแวัดเห็นเหมือนกันว่าตัวกำลังย่างฝรับอสแต่แรกเรารู้เออเมื่อกี้เรารู้เรารู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องเนาะเออตรงนี้ประเด็นนี้ก่อนเนาะค่ะคือโยมเป็นคนพูดเองว่ารู้รู้มันมันไม่ต่อเนื่องไอ้ที่บอกว่าไม่ต่อเนื่องเนี้ยตรงเนี้ยเรารู้เนาะเรารู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องถูกต้องไหมอย่างเนี้ยถูกต้องค่ะแต่เราไม่รู้ที่หลังนะคะ อ่านะนี้หลวงพ่อกําลังชี้ให้เห็นว่ามันให้ถ้ากลับด้านมันเป็นยังไงเราเรารู้ว่ามันรู้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยตอนเนี้ยเราเป็นผู้รู้เรารู้ว่าไม่ต่อเนื่องเห็นไหมเรารู้ว่าไม่ต่อเนื่องแล้วเราพูดได้เราก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างเนี้เขาเรียกว่าเรานะแต่ถ้ารู้เราก็รู้รู้เราก็คือรู้คนเนี้ยไอ้คนที่บอกว่ารู้ไม่ต่อเนื่องเข้าใจกันแล้วทําไมเราถึง เขาเรียกอะไรเออเราอีกกันนะคะทำไมแบบว่าภาษาตรงนั้ไอ่ฟิลนั้นนะไอ้สภาวะตรงนั้นที่แบบว่าไอ้อย่างนี้หนูก็เห็นแบบปฏิกัว่ามันม่ไม่มีรู้สิกว่าไม่ถูกทำไมไอ้สภาวะนั้นมันไม่ต่อเนื่องอะคะที่แบบว่าเห็นไอ้ตัวรู้เนี่ยค่ะตัวรู้เนี่ยทําไมมันหรือว่าต้องสุดห่ืคะหลวงพ่อคือที่ไม่ต่อเนื่องมันก็แสดงความจริงว่ามันอะต่อเนื่องไม่ได้แล้วก็ได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ต่อเนื่องคือ มันรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะธรรมชาติที่เป็นสังขารมันต้องมีลักษณะอย่างนี้คือมันไม่เที่ยงถ้ามันต่อเนื่องก็แสดงว่ามันเที่ยงดิเนาะใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าเพราะนั่นที่เห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องก็คือถูกแล้วแต่ยังมีเราเป็นผู้เห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องถ้ารู้ให้ถูกตัวต้องรู้ตัวเราผู้ผู้ที่รู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องตรงนี้ต้องฟังให้ดีนะ คือเราอะรู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องถูกไหมละ่ะทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ต่อเนื่องมันก็ถูกแล้วไงเพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่มันยังมีผู้รู้อยู่คนหนึ่งที่รู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วผู้รู้คนนั้นคือใครอะโย ม, มใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ ไ, ไ, ไอเวลามีสภาวะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ มันเหมือนเหมือนเหมือนกับเห็นคนแปลกหน้าค่ะเหมือนกับเห็นคนคนเดียวไม่ไม่ทันไม่ทันปัจจุบันไงตรงนี้มันมันค่อนข้างใหญ่ยากต้องต้องเป็นเป็นปัญญาเป็นปฏิพันธ์ไหวพริบที่ที่เหมือนกับว่ารู้เดี๋ยวหลวงพ่อทวนก็ได้เนาะว่าโยมเนี่ยไปรู้อะไรมาโยมก็มาบอกหลวงพ่อใช่ไหมเช่นไปรู้ว่าเออมันรู้ไม่ต่อเนื่องนี่เท่ากับว่าโยม มีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมแล้วมาบอกหลวงพ่อมาบอกให้หลวงพ่อฟังเนาะยมมีความรู้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าไม่รู้โยมจะพูดถูกได้อย่างไงใช่ไหม <c oughs> เออยมมีความรู้แล้วก็โยมก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกว่าแบบเนี้ยยังเป็นโยมรู้อยู่อ <c oughs> แต่ถ้ารู้ให้ถูกตัวที่เป็นผู้รู้พร <c oughs> ผู้รู้แล้วยัง <c oughs> ผู้รู้ก็คือโยมมันแหละ <c oughs> เออแล้วก็พบผู้รู้ว่าผู้รู้คือโยมแล้วผู้รู้เนี้ยมันมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เหมือนสังขารทั่วไปก็เป็นสิ่งถูกรู้เพราะฉะนั้นพอตัวโยมเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วพ้นไปจากตัวโยมมันก็ไม่มีใครแล้วนี่มันว่างไปแล้วเออเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเนี่ยจึงสำคัญมากรู้ตัวมันทำให้หลุดพ้น แต่ถ้าถ้าเราไม่รู้ตัวมันก็ติดคือติดเป็นเราผู้รู้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเราเป็นผู้รู้เสียเองแต่ถ้ากลับมารู้ให้ถูกตัวคือรู้ตัวเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาแล้วก็พ้นทุกข์ไปเลยเพราะไม่ยึดถือไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้วังไว้ก่อนนะวันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวยมไปยมมาโอ้ฟิงแล้ว พ่อผูรู้แล้วผู้รู้คือกูนี่เองหลวงพ่อแล้วคําว่าคือฝึกให้มันลงใจคือแบบเหมือนกับว่าให้มัน ค, คือคืออย่างอย่างที่หนูฟังหลวงพ่อใช่ไหมคะจับได้ว่ามันเป็นการประมวลผลของสมองอะค่ะแต่ว่าทํายังไงให้ตัวสภาวะนี้ที่เขาใช้ใช้คําว่าลงใจใช่ไหะคะลงใจก็ลงใจก็เหมือนที่คือถ้าฟังเข้าใจเนาะ ฟังเข้าใจแบบเก็ดมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลงใจแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับไม่ลงใจแล้วไม่ซาบซึ้งในธรรมแล้วก็ฟังแล้วยิ่งหนักยิ่งหนักโหแต่ถ้าลงใจโอ้โหหลุดเลยหลุดทั้งพวงเลยเบาโล่งโปร่งมีปิติมีน้ําตาไหลเลยอ่ะแต่ก็ไม่ต้องไปปรารถนาอย่างนั้นนะอันนี้เราเราพูดอย่างเมื่อวานของโยมเมื่อวานนี่โยมเช้าใหม่ก็เก็ดเหมือนกัน อมันมันขณะที่มันมันมันถึงใจอ่ะมันจะเก๊ดแล้วมันจะมันจะโล่งของหนักเนี่ยมันเหมือนกับถูกวางลงอ่ะเบาวิวเลยวันก่อนก็มีของโยมจีระยาโพลเหมือนกันอ่แล้วก็โยมธรรมะธรรมะซันโล่เหมือนกันเนี่ยพวกนี้มันแกเข้าใจเลยเวลาลงใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ลงใจก็อย่าไปอย่าไปเข้วเข็นอะไรมันเพราะว่ายิ่งเข้วเข็นมันก็ไม่ไม่ใช่หมด เนี่ยอย่างฟังธรรมะเนี่ยถ้าถ้าฟังเข้าใจนะในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะโล่งโปร่งเบาแล้วมันเป็นปิติมันเหมือนกับว่าของหนักเนี่ยมันหลุดลงไปจริงๆอะ่ะก็สัมผัสได้แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงนี้อย่างของโยมเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามจะชี้เป็นปัจจุบันเนาะจากเรารู้ก็ให้กลับมารู้เราการรู้เราคือรู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้นี่แหละแล้วก็ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ก็คือเมื่ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราทั้งตัวก็คือสังขารก็ เป็นของยึดถือไม่ได้แล้วมันก็หลุดโพสไปจริงๆเนี่ยให้ถามแบบนี้ถามบ่อยบ่อยพอถามปั๊บเนี่ยคุยไปคุยไปบางทีมันมันเข้าใจได้เหมือนกันนะแต่บางทีเนี่ยหนักงงหนักกว่าเก่าก็ได้แล้วแต่มันมาแวบแวบป่ะคะหลวงพ่อแบบบางทีเนี่ยไม่ใช้คานี้จะคำนี้ดีกว่ามันมาแวบแวบ่ะหมายถึงขยายความเนาะมันมาแวบๆบคืออะไรมาแวบแวบความคิดว่าเข้าใจมันมันมันมาแบบแป๊บแป๊บค่ะคือมันไม่ได้แบบว่าโพะอย่างที่ ที่ที่ที่คนอื่นที่เขาแบบโผล่ะเของหนูมันจะมาแบบอโอ้แบบแบบๆหนูเข้เข้าไหมถูกแล้วแล้วอยากให้โผล่ไหมอยากดิคะออกไม่ได้จรินะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากก่อนยากก่อนดีแล้วเอาอยากไว้ก่อนนะแล้วหลวงพ่อจะชี้ว่าเห็นตัวเราผู้อยากไหมเอ่อเดี๋ยวนะคะก็เห็นอยู่นะคะเห็นตัวเราผู้อยากเห็นตัวเราขณะที่กําลังอยากก็พบว่าไอ้ผู้อยากเนี่ยก็คือสังขารผู้อยากคือ คือมันต้องเห็นตัวตัวเราผู้อยากก่อนนะแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ้าวเฮ้ยไอตัวนี้มันอยากอยากได้ยังไงวะเพราะตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วต้องเป็นปัจจุบันนะผู้อยากอ้าวคุยต่อคุยต่อแล้วแล้วคือจำเป็นไหมคะต้องนั่งสมาธิอะค่ะครนั่งสมาธิคือหมายถึงว่าจำเป็นไหมคะที่จะต้องนั่งนั่งนั่งนั่งสมาธินั่งหลับตาเพราะว่าโดย แบบว่าโดยส่วนตัวที่ทำเป็นพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเสียงพระแบบคอยเทศกํากับเนี่ยมันจะแบบโอ้โหสารพัดความคิดมันจะโถมหมก็ะนำซัมเมอร์เซลล์แต่ถ้าหากว่าหนแบบูแบบแบบพยายามที่จะแบบมองมอ ง, มองยคนนี้ที่แบบทําดุนหรือว่าสัมผัสลมเริ่มสัมผัสคือแบบคือถ้าลืมตาเนี่ยมันจะแบบมีความรู้สึกว่ามันมันเห็นอะไรมากกว่านั่งอะค่ะเข้าใหมเพราะว่าเราจําเป็นไหมคะว่าจะ ต, ต้องนั่งสมาธิ จะโต อ, อย่างนี้ค่ะใครใครเป็นคนถามว่าจําเป็นไหมที่จะไปนั่งสมาธิหนูถามเห็น <c> ต <oughs> ัวหนูแล้วยงังปัจจุบันตัวเห็นตัวหนูผู้ผู้ถามหนูผู้ถามก็คือสังขารที่เป็นสิ่งถูกลูกตอนนี้เดี๋ยวนี้ตัวหนูเหรออ้าวเจอผู้หาแล้วยงังผู้หาตัวหนูยิ <c oughs> <c oughs> ่งหายยิ่งมึน <c oughs> ผู้หาน <c oughs> ั่นแหละคือตัวตัวตัวหลงคือหลงหลงหาว่า หลงหาหลงคิดเนี่ยตัวตัวเนี่ยตัวกําลังคิดตัวกําลังหานี่แหละตัวเนี้ยต้องรู้เท่าทันว่ามันกําลังหาหรือว่ามันกําลังคิดเพื่อให้เข้าใจอย่างนี้ยก็ถ้าถ้าเจอไอ้ตัวผู้หาไอ้ตัวผู้คิดเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ถูกตัวแต่ถ้าจะเอาคิดให้รู้เนี่ยคิดให้รู้ให้รู้อย่างนั้นนะยิ่งยิ่งยิ่งไม่รู้ยิ่งหลงยาวแต่ถ้ารู้เ <ไ ano, S 1> ท่าทันว่าเอ้ยนี่ตัวเรากําลังคิดนี่ แค่นี้เรียกว่ารู้ถูกตัวไดแล้วค่ะจริงเหรอรหร อ, อธิบายขยายดิจริงค่ะเขาอ่า <laughs> ขยายความเลยออ <laughs> ขยายความขยายความเพื่อให้คนอื่นได้ได้ได้รู้ตามด้วยอ่ะเอ่อจัดการนะมันก็จะแบบว่าไม่ทราบว่ามันถูกปั้นนะคะมันก็จะเหมือนกับว่ามันเป็น something มันเป็นอะไรบางอย่างที่แบบว่าเออเอออย่างอย่างโมเมนต์เมื่อกี้ค่ะคือแต่ถ้าออันนี้หายไปละไอที่คอบมรูนั้นเนี่ยตอนที่หลวงพ พ่ออธิบายเราก็ฟังอะค่ะฟังแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเห็นแบบว่าเข้าใจว่ามันมีมัน ม, มีเนี่ย ย, ย, ยังไงเนี่ยอเนี่ยฟังอยู่แล้วก็ได้ยินแล้วก็อะไรบา้างคือมันเหมือนกับว่ามันมีเก็บเที่อเป็นคนอื่นดีกวา่านะครับเหมือนกับมีคนอื่นที่มาเห็นเห็นตัวเองอ่ะโดยที่แบบว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราอะจะเหมือนกับว่าคนเนี้ยเขาก็ like เหมือนกับเตียงเหมือนกับพัดลมอะไรที่มัน อยู่อยู่ตรงนั้นอะประมาณประมาณนั้นนะคะเขาเขาเห็นเราใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เขาอะมันเป็นไม่ไม่เออภาษาภาษาพูนะเหมือถึงว่ามันเห็นเราเนาะใช่ใช่ใคือเห็นแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเอ่ออีโก้ในตัวเองมันไม่มีตอนนั้นนะคะคือเห็นคนเนี้ยเหมือนเหมือนกับอย่างอื่นๆที่มันอยู่ในห้องอะประมาณเนี้อะแต่ไอ้สภาวะตัวนั้นเน่ยมันที่ต่อเยอะก็พื่งนี้แหละเห็นตัวเราในปัจจุบัน ตัวเราที่เป็นผู้คิดเมื่อกี้เนี่ยก่อนแต่จริงมันผ่านไปแล้วเนาะตัวเราเป็นผู้คิดเป็นผู้หาแต่จริงอ่ะถ้ารู้ให้ถูกตัวก็คือรู้ตัวเราที่เป็นผู้กำลังคิดหานี่แหละไม่ต้องไปหาจริงๆเราเอาแค่ต้นต้นทางเนี่ยมันต้นทางมันอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละตัวเราที่กำลังคิดจะหาคำตอบตัว ค, คิดที่จะนั่นจะนี่ให้รู้ตรงเนี้ยแต่ถ้ารู้ทันในขณะจิตหรือว่ารู้ทันขณะ ท, ที่มีผู้ชี้บอกเนี่ยมันจะ เข้าถึงใจมากเลยแล้วมันจะโอ้โหมันจะปิติมันจะอะไรนี่เนาะเพราะฉะนั้นอย่างบางคนก็บอกว่าก็มันไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงใจนี่แสดงว่ามีตัวเราอยากที่จะให้เข้าถึงใจใช่ไหมเออทีนี้ถ้าพบว่าเอา้ามีตัวเราเป็นผู้อยากจะให้เข้าถึงใจนี่รู้ทันขึ้นมาปับ๊บโอ้โหมันถึงใจจริงๆถึงใจก็คือรู้ตัวเราในปัจจุบัน การเป็นคนเจ้าครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อฌานธรรมะอะไร น, ะนักอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านแล้วก็ชอบเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับเลยมองว่าไอ้ก่อนหน้านี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะก็ยังมีนะครับก็คือการแบบการาถูกเอาศาสนานะครับไปเปรียบเทียบกับเ อ, อสิ่งรุนบ้างสิ่งนี้บ้างครับซึ่งผมผมในส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือของที่คล้ายๆกันแต่ว่าดําเนินวิธีกรรมวิธีในการเรียนรู้หรือว่าการ การเข้าใจกันคนละแบบนะครับผมก็ถึง ม, มอ ง, มองว่าอย่างวิทยาศาสตร์ศาสนาเนี่ยคนมองว่าเ อ, อวิทยาศาสตร์ยากศาสนายากแต่ว่าไม่เคยลงลงไปดูเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยากเพราะว่ามันยากจริงหรือว่าเราคิดว่ายากนะครับก็เลยมองว่าอย่างคนคนคนชอบมีคําถามว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปทําไมเราจะเรียนฟิสิกส์ชีวเคมีไปทําไมอนที่จริงๆแล้วอ่ะฟิสิกส์ชีวเคมีอยู่ใกล้เรามากนะครับ ก็คือตัวตัวเราเลก็เป็นดีทั้งฟิสิกส์และชีวะที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเกิดไปร่างกายเราขึ้นมาได้ ก, ก็เฉยเช่นกันนะครับเ อ, อคนก็ชอบถามว่าแล้วเราจะศึกษาศาสนาไปทําไมผมก็มองว่าเคําบางคำของศาสนาเนี่ยอาจจะฟังแล้วดูเข้าใจยากไปแต่ก็ด้วยเนื่องจากว่าเหตุผลหลายๆอย่างนะครับการส่งต่อเ อ, อก็มีเคยมีงานวิจัยว่า ถึงขั้นคนก็ไปศึกษาว่าองค์พระสัมมาสัมพุทเจ้าพูดภาษาอะไรนะครับซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครฟันทงหรอกว่าภาษาอะไรแต่ก็มีการชีร้นําชี้ชัดว่าพระองค์ทรงพูดภาษาที่สามารถสอนได้ทุกกลุ่มภาษาทุกคนเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับในทุกชั้นวันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าศาสนาคือก็ต้องเริ่มจากคาง่ายก่อนทีนี้ผมก็เลยไปอ่านเจอ อ, อันหนึ่งนะครับอย่างคำว่าขันนะนะครับคนคน คิดว่ามันเป็นของทีา่ยากและเข้าถึงยากนะแต่จริงรรแล้วผมเคยไปอ่านเจอในบล็อกฟิสิกส์ดิสคอเวอรี่นะครับเขาก็มีการออาขันมาพูดในเชิงก็อย่าพูดว่าเชิญวิทยาศาสตร์เลยครับเชิงเข้าใจง่ายมากกว่าว่าเขาก็มองว่าขันเนี่ยประกอบด้วยเช่นขันหเนี่ยก็ประกอบด้วยรูปเบญนรราสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใช่ไหมครับเราก็ฟังดูอะไรคืออะไ ร, ะไรแต่ถ้าเราไปวิเคราะห์แต่ละเรื่องนะครับรูปรูปจริงๆก็คือเข้าใจง่าย ส่วนผสมการของดินน้ำรมไฟำทำให้เป็นตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นผมหนังกระดูกหรือว่าเลือดเราอันนี้จะผมผิดตรงไหนบ้างเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ชีชช้แนะผมเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเวทนาเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า feeling ครับมันก็คืออารมณ์ความรู้สึกถ้าเรามองเวทนาดูความรู้สึกแล้วเข้าใจแล้วอ๋อจริงๆแล้วขันห้าไม่ได้ยากนะขันรูปก็คือเรานี่แหละเป็นร่างกายเราทีนี้เวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกทีนี้สัญญาคืออะไรก็บอกสัญญาคือ ค, อความจําจําอะไ ร, รก็คือจําได้ถึงความรู้สึกนั้นๆ น, น, นะครับ ความรู้สึกชอบไม่ชอบส่วนสังขารเนี่ยที่เราพูดถึงกันบ่อยในนี้เขาก็เขียนว่ามันคือระบบคิดปรุงแต่งแล้วก็แยกแยะสิ่งที่รู้สึกนื้อจำก็คือนอกจากเราเรามีความรู้สึกแล้วนะครับเราควจะต้องจําความรู้สึกนั้นได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปปรุงแต่งความรู้สึกมันอีกในใ น, ในที่เราจําได้นะครับ <S <S ส่วนวิญญาณน่นก็คือระบบที่รับรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับผมว่าจริงๆสังขารมันมีมันขันห้ามมันอธิบาย มันคือตัวเราทั้งหมดเองนะครับในทางศ<ช>ูรุป<ช>เขาบอกว่าก็ <S <S คือร่างกายมนุษย์นี่แหละแต่แยกขอกมาเป็นห้าส่วนก็เลยผมว่าบางทีเราคิดเลยเถิดกันไปเยอะว่าว่าว่าสิ่งที่เราเรียนรู้หรือสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยมันทำไมดูยากจังแต่ถ้าเราเข้าใจมันก็กลับกลับมามองว่าขอ๋มันมันคือแบบนี้เองนะครับแล้วผมว่ามันจะไปต่อได้ในแบบที่ที่เราจะเข้าใจมันมากขึ้นซึ่งในส่วนผมก็ยังไม่เข้าใจมากมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ เออสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาอะไรนะครับควรควรมีนะครับเพื่อเพื่อให้เราได้ได้เรียนรู้หรือว่ได้เรามีอะไรที่เราก่อติดเมื่อคีเราไปในทางทางใดทางหนึ่งมากๆแล้วเ่ยมันมันมีความทุกข์หรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมยังเชื่อว่าศาสนาช่วยได้ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วก็เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับน่าฟังอลยนะเพราะว่าโยมเขาก็แจกนะจำแนกแจกเพื่อเอ่อให้ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจอ่ เข้าใจว่าอ๋อไอขันแต่ละขันเนี่ยมันเป็นยังไงนะทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ต่อมาก็ก็ให้เห็นด้วยตนเองว่าเออเวลาเวลาขันไหนปรากฏก็รับรู้เนาะขันไหนปรากฏก็รับรู้รับรู้แล้วก็จะรู้ลักษณะของขันตามความเป็นจริงว่าขันแต่ละขันมันเป็นอย่างไรใช่ไมเช่นมีผู้บอกไว้ก่อนแล้วเช่นบอกว่าขันแต่ละขันมันมีความเกิดดับอ่อย่างนี้เนาะเราก็ เมื่อรู้จักขันแล้วก็ก็พินาว่ามันเกิดดับจริงหรือเปล่าต่อมาเมื่อพินาแล้วก็เออใช่มันมีแล้วหมดไปจริงๆเออใช่ถูกต้องอแล้วก็ต่อมาอีกพระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้สิ่งนี้ทิ้งเลยเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะทีนี้ก็มาพินาอีกว่าโอ้เมื่อก่อนนี่มันโง่มากเลยไปยึดขันแต่ละขันว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเรา อ๋อในมันมีแล้วมันหมดไปมันดับไปแล้วมันจะเป็นตัวตนเราได้ยังไงตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปัญญาพอรู้ว่าแต่ละขันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยจนรู้ให้หมดนะรู้รอบให้หมดว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆตรงนั้นแหละมันจะเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาโดยแท้อทีนี้พอเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจริงๆแล้วใครจะทุกข์ลรอคราวนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเป็นผู้ทุกข์เนาะมีแต่เกิดแล้วก็หมดไปมีแต่ขันเท่านั้นมีแต่ขันเท่านั้น แค่นี้มันก็พ้นทุกได้ไม่ยากไม่สลับซับซ้อนนะแต่บางทีเราก็ก็ไม่รู้นะบางทีมันไปหลงงงอะไรไม่รู้ก็เลยเข้าใจยากก็แล้วแต่สติปัญญาแต่อบรมได้ <c oughs> สร้างเองครับหลวงพ่อครับปิดนะครับคืออจกเรียนถามหลวงพ่อว่าเเวลาแล้วที่เรารู้ตัวทุก ต, ต, ตัวแล้วนะครับเราจะใช้ชีวิตประจําวันปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับหรือว่ารู้ขณะ จำเป็นจะต้องรู้ตลอดเวลาหรือไม่หรือว่าพอนึกขึ้นได้ก็รู้ตัวนะครับในข้อหนึ่งะฮะก่อนที่เราจะตายไปก่อนที่เรากะมันต้องผ่านพ้นเวทนาตรงนี้เราจะทำยังไงถึงวิธีปฏิบัติในการก่อนตายยังไงครับการการเรียนถักครับจริงๆใช้ในชีวิตประจาวันก็คือ ปกตินะปกติเคยใช้อย่างไงแต่ว่ามันมีว่าเออต้องต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนาะในชีวิตประจำวันเพราะเราอยู่ในโลกเนี้คือไม่ไม่ไม่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายตามที่เขาสมมุติขึ้นอันนี้ก็เพื่อความอยู่ด้วยความแบบสงบเรียบร้อยนะแต่ทีนี้ไอความเป็นจริงของของธรรมชาติของกายของใจเนี่ยมันก็มันก็เป็นของมันอยู่แล้วเช่นร่างกายเนาะมันเคลื่อนไหว ก็ทางจิตใจมันก็มีความคิดมีความรู้สึกมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ก็อะไรก็ตามอ่ะมันก็เป็นเป็นส่วนของร่างกายจิตใจซึ่งมันเป็นเองของมันอย่างนั้นนะมันเป็นเองของมันอย่างนั้นโดยที่ว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทําให้มันเป็นหรอกมันมีแต่ความเป็นเองนะพะมีเหตุปัจจัยมันก็เป็นแต่ทีนี้หน้าที่ที่ต้องทําให้มากก็คือว่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่มันกําลังมีกําลังปรากฏนะให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ กำลังมีกำลังปรากฏไม่ต้องไปควานหาหรอกเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติเนี่ยพื้นฐานของการรับรู้มันมีอยู่แล้วเช่นร่างกายมันเจ็บมันปวดมันป่วยเนาะ ก, ก็ก็รู้ได้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องหาแต่ทีนี้ให้เข้าใจมันว่าเออถ้ามันเจ็บนี่แสดงว่าความปรากฏขึ้นแห่งเวทนาหรือว่าความปรากฏขึ้นของความเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันเกิดแล้วแล้วต่อมามันมีความเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรกันแล้วแต่ มันปรากฏแล้วก็รับรู้ได้ก็รู้ว่าสิ่งเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเกิดเองมันเป็นเองหมดเลยนะเราไม่ได้ทำให้เป็นอย่างนั้นความรู้สึกทางจิตใจทางอารมณ์ก็เหมือนกันเช่นพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโกรธบ้างโมโหบ้างดีบ้างสุขบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็รับรู้ตามที่มันมีมันที่ปรากฏแต่การรับรู้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเพื่อให้เข้าใจของกายของใจว่ามันมีกิริยาแบบนี้แหละนะ แล้วก็ประกอบกับที่ได้ยินได้ฟังพูดบอกผู้สอนก็บอกว่าเออให้รู้มันเห็นมันแล้วก็เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันอ่ะมันเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนั้นอย่ raine, ง า, นางนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นความเป็นไปอย่างเนี้ยเห็นแบบไม่ต้องเฝ้ามองไม่ต้องเฝ้าดูมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอ่เพราะว่าธรรมชาติรู้มันมีอยู่แล้วเกิดขึ้นก็รู้เองรู้เองแล้วก็เพียรรู้อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็มันก็จะเกิดปัญญาเองว่า ทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเนี่ยก็ดำเนินชีวิตแบบนี้เนี่ยถ้าเข้าใจหลักแล้วก็คือเพียนนะเาเรียกว่าเพียนเพียนรับรู้แล้วก็ให้เห็นตามที่มันเป็นนะครับก็คือพอเราคิดเออไม่ได้คิ ด, ด, ค, ดคือเราเห็นพบเนี่ยคือมันมันเราจะไม่ตลอดเวลาเป็น ไ, ไม่ได้นะฮะใช่ๆนะ่ไม่ไม่ตลอดเวลา เพราะาถ้ า, ถ, าถ้ามันตลอดเวลาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันของเที่ยงเนาะของเที่ยงคือมีอยู่ตลอดเวลาไม่ดับไปแต่จริงๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับมันเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเกิดบ้างไม่เกิดบ้างหรือว่ามันรู้บ้างมันไม่รู้บ้างก็เป็นปกติธรรมดาแต่สิ่งที่ต้องเสริมหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องให้พ้นไปจากสิ่งเกิดดับเนี่ยคือให้เป็นปัญญาคือปัญญาว่าอ๋อ ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็ธรรมชาตินี้มันเป็นธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่เราอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นปัญญาพอเป็นปัญญาเนี่ยก็เรียกว่ามันพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญานี่แหละคือเข้าใจแล้วมันจะป่วยมันจะหายป่วยมันไม่หายป่วยหรือบางทีจิตใจมันดีหรือไม่ดีแต่ปัญญาคือเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเองอ่าไม่ได้ยึดถืออ่าต้องให้มาเป็นเป็นทุกข์เป็นอะไร มันอยู่ที่มีปัญญาแล้วก็ไม่ไม่ยึดถืออะไม่ยมึดถือในสิ่งที่มีที่ที่ปรากฏความไม่ยึดถือนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าเป็นความความปล่อยวางคือความพ้นไปพ้นไปจากสิ่งที่มีมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดถืออย่างนี้นะใกล้ใกล้ตาใกลใกล้ตายนะพอครับแล้วก็แค่รู้เฉยปล่อยเลยใช่ไหมครับใกล้ใกลใช่ไหมเดี๋ยวแต่ผมว่าเดี๋ยวจะเสียงเสียงขาดขาหายหายเนาะ แค่ถามไอ้พิงคนะ์นะเมื่อกี้สัญญาณไม่คุณกิตรบวนถามอีกรอบนึงคะ่ะพอใกล้ตายทําไมนะคะใกล้ใกล้ตายนี่นะฮะมันก็จะทุกกับเอทนาไม่แต่เรารู้ว่าเ อ, อเราก็เพียงแค่เห็นมันเฉยๆนะฮะแล้วก็มันไม่ไม่ไสังเไม่มีแค่รับเฉยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวหลวงพ่อไม่เคยได้ยินแต่แต่เมื่อกี้ได้ยินคําว่าใกล้ตายนะแต่จริงๆหลวงพอมองอย่างนี้ว่าเรา เราจริงๆต้องปฏิบัติให้รู้ตัวให้รู้สภาพให้รู้สภาพธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือรู้กายรู้ใจในปัจจุบันนะเหมือนกับว่ารู้ให้มากรู้ให้มากมันก็เป็นนิสัยเ้าเรียกว่านิสัยที่จะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันใกล้ตายเนี่ยมันไม่ต้องห่วงหมายความว่าสิ่งที่ฝึกไว้ในปัจจุบันเนี่ยที่มันสะสมอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยพอถึงจะตายจริงตรงนั้นแหละมันก็เป็น มันก็เป็ น, นกลไกเป็นธรรมชาติที่ต้องต้องเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเราเราไม่ฝึกในปัจจุบันเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุที่จะต้องให้เป็นไปตามที่เราเคยคาดหวังไว้ก่อนน่ะมันก็หวังไม่ได้เลยหวังไม่ได้เพราะฉนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยนะรู้สึกตัวตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกตัวเพี้ยนเพียนไปแล้วพอถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันออโต้ให้เองอ่ะใช่ก็ก็คือฝากไว้แหละสิ่งที่ ได้พูดได้อะไรมาเนาะก็ให้ไปตรงไหนที่ความรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันปิง๊งมันเข้าใจนะก็เอาตรงนั้นไปไปใช้เพื่อทำให้มันเหมือนกับว่าให้มันแจ่มแจ้งให้มันชำนานค่นะ <c oughs> อย่าอย่าอย่าฟังอย่างเดียวนะ